พระศาสดาตรัสวานาน่าพระชนมนีท่อพระเนรเห็นรถเปล่ามีแต่นายสารถีมาคนเดียวก็มีพระเนรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนทรงกันแสงท่อพระเนรดูนายสารถีนั้นด้วยเข้าพระไทยว่านายสารถีนี้ฟังโอรสของเราเสียแล้วโอรสของเรานายสารถีฝังเสียในแผ่นดินถมแผ่นดินแล้วเป็นแน่ จจามิตรทั้งหลายจะยินดีศัตรูทั้งหลายจะอิ่มใจเป็นแน่เพราะเห็นนายสารถีมาแล้วเพราะฟังโอรสของเราแล้วพระชนนีท่อพระเนตรเห็นรถเปล่านายสารถีกลับมาแต่ผู้เดียวก็มีพระเนตรทั้งสองนอนไปด้วยพระอสุชนทรงกันแสงตรัสสอบถามนายสารถีนั้นว่าโอรสของเราเป็นใบ้หรือ เป็นง่อยหรือพูดอะไรบ้างหรือในเวลาที่ถูกท่านฝังในแผ่นดินจงบอกเนื้อความนั้นแก่เราเถิดนายสารถีโอรถของเราเป็นใบเป็นง่อยเขาเคลื่อนไหวมือเท้าอย่างไรบ้างไหมในเมื่อถูกท่านฝังในแผ่นดินเราถามท่านแล้วขอท่านจงบอกความนั้นแกเรานายสุนันทสารธีกราบทุลว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรดประธานอภัยแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอกราบทูลตามที่ได้ฟังได้เห็นในสำนักของพระราชโอรสแต่พระองค์พระนางจันทาเทวีตรัสว่าแน่นายสารถีผู้สหายเราให้อภัยแก่ท่านท่านไม่ต้องกลัวจงกล่าวตามที่ท่านได้ฟังหรือได้เห็นในสำนักของพระราชโอรส นายสารทีกราบทูลว่าพระราชโอรสนั้นไม่ได้เป็นใบไม่ได้เป็นง่อยเปรี้ยพระองค์มีพระวาจาสละสลวยได้ยินว่าพระองค์กลัวราชสมบัติจึงได้ทรงทําการลวงเป็นอันมากพระองค์ทรงระลึกถึงชาติก่อนที่พระองค์ได้เสวยราชสมบัติพระองค์เสวยราชสมบัติในการนั้นแล้วต้องไปตกนรกอันกล้าแข็ง พระองค์เสวยราชสมบัติในการนั้น20ปีแล้วต้องหมกไหม่อยู่ในนรก8 0ดห0ปีพระองค์กลัวจะต้องเสวยราชสมบัตินั้นทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายยาพึ่งอภิเศกเราในราชสมบัติเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสในสำนักของพระชนกและพระชนนีในการนั้นพระราชโอรสทรงสมบูรณ์ด้วยองคาพยพ มีพระรูปงดงามสมส่วนมีพระวาจาสละสลวยมีพระปัญญาทรงดำรงอยู่ในมัคคะแห่งสวรรค์ถ้าพระแม่เจ้ามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสของพระองค์ก็ขอเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์จะนำเสด็จพระแม่เจ้าไปให้ถึงที่ที่พระเตมียระราชโอรสประทับอยู่ พระเจ้ากาสิกราตรัสว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมรถเทียมม้าจงผูกเครื่องประดับช้างจงบรรเลงสังและบันดอจงตีกรองหน้าเดียวจงตีกรองสองหน้าและ ร, รมนาอันไพเราะขอชาวนิคมจงตามเรามาเราจะไปให้โอววาดแก่ลูกชายนางสนมกุมารพ่อค้าและพร้อมทั้งหลายจงรีบเตรียมยาน เราจักไปให้โอวาดแก่ลูกชายพวกกองพลช้างกองพลเมฆกองพลรถกองพลราบจงรีบเตรียมยานเราจักไปให้โอวาดแก่ลูกชายชาวชนบทและชาวนิคมจงมาประชุมรีบเตรียมยานเราจักไปให้โอวาดแก่ลูกชายพระศาสดาตรัสว่า นายสารถีทั้งหลายจูงม้าที่เทียมรถและม้าสินทบซึ่งเป็นพาหนะว่องไวมายังประตูพระราชวังและกราบทูลว่ามาทั้งสองพวกนี้เทียมเสร็จแล้วพระราชาตรัสว่าม้าอ้วนเสื่อมความว่องไวม้าผอมเสื่อมถอยเรี่ยวแรงจงเว้นม้าผอมและม้าอ้วนเสียจัดเทียมแต่ม้าที่สมบูรณ พระศาสดาตรัสว่าแต่นั้นพระราชารีบเสด็จขึ้นประทับบนม้าสินทบอันเทียมแล้วได้ตรัสกับนางในว่าจงตามเราไปทุกคนเตรียมเครื่องราชกุปถัพันห้าคือพัดวาละวิชนีพระอุณหิตพระขันสเวตชัตัดและฉลองพระบาททองให้นำขึ้นรถไปด้วย แต่นั้นพระราชาตรัสสั่งให้นายสารถีนำทางสเสด็จเคลื่อนขบวนเข้าไปถึงสถานที่ที่พระเตมียราชฤษีประทับอยู่โดยพลันพระเตมียราชฤษีท่อพระเนตรเห็นพระราชบิดากําลังสเสด็จมาประหนึ่งรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพทรงแวดล้อมไปด้วยหมู่อมารจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตร พระองค์ทรงปราศจากพระโรคาพาธหรือทรงเป็นสุขสำราญดีหรือราชกัญญาของพระองค์และโยมารดาของอาตามภาพไม่มีพระโรคาพาธหรือพระราชาตรัสตอบเมื่อลูกรักพ่อไม่มีโรคาพาธสุขสำราญดีราชกัญญาทั้งปวงของพ่อและโยมารดาของลูกหาโรคภัยมิได้ พระโพธิสัตว์ทูลถามพระราชาว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษไม่เสเวยน้ําจันทร์ไม่ทรงโปรดน้ําจันทร์หรือพระอริทัยของมหาบาพิษทรงยินดีในสัจจะในธรรมและในฐานบ้างหรือพระราชาตรัสว่าลูกรักพ่อไม่ดื่มน้ําจันทร์ไม่โปรดน้ําจันทร์อันหนึ่งใจของพ่อยินดีในสัจจะ ในธรรมและในทานพระมหาสัททุนถามว่าพาหณนะมีมา้าและโคเป็นต้นของมหาบาพิษที่เขาเทียมในยานไม่มีโรคหรือนำอะไรอะไรไปได้หรือมหาบาพิษไม่มีพยาติที่เข้าไปแผดเผาพระสรีระหรือพระราชาตรัสว่า พาหณะมีมาและโคเป็นต้นของพ่อที่เขาเทียมในยานไม่มีโรคอันหนึ่งพาหณะนำอะไรอะไรไปได้และพ่อไม่มีพยาติที่เข้าไปแผดเผาสรีระพระมหาสัตทุลถามว่าปัจจันตะชุนบทของมหาบาพิษยังเจริญดีอยู่หรือความนิคมในถ้มกลางรัฐศีมาของมหาบาพิษยังเป็นปึกแผ่นดีหรือ ช้างหลวงและพระคลังของมหาบพิษยังบริบูรณ์ดีอยู่หรือพระราชาตรัสว่าปัจจันตชนบทของพ่อยังเจริญดีอยู่คามนิคมในท่ามกลางรัฐสีมาของพ่อยังเป็นปึกแผ่นดีอยู่ช้างหลวงและพระคลังของพ่อทั้งหมดยังบริบูรณ์ดีอยู่พระมหาสัตตุลว่าขอถวายพระพร มหาบาพิษเสด็จมาดีแล้วพระองค์เสด็จมาไกลก็เหมือนใกล้ราชบุรุษทั้งหลายจงทอดราชบัลังให้ประทับนั่งเถิดขอเชิญมหาบาพิษประทับนั่งบนเครื่องปูลาดใบไม้ที่เขากําหนดลาดไว้เพื่อพระองค์ในที่นี้จงทรงเอาน้ําแต่ภาชนะนี้ล้างพระบาทของมหาบาพิษเถิดมหาบาพิษ ใบหมากเม้าของอัตมภาพนี้เป็นของสุกไม่มีรสเค็มขอมหาบาพิษผู้สเสด็จมาเป็นแขกของอัตมภาพจงสเสวยเถิดพระราชาตรัสว่าพ่อไม่บริโภคใบหมากเมาโภชนะของพ่อไม่ใช่อย่างนี้เลยพ่อบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ปรุงด้วยมังสาอันสะอาดความอัศจรรย์ย่อมแจ่มแจ้งแก่พ่อ พราะได้เห็นลูกกรักอยู่ในที่ลับแต่ผู้เดียวบริโภคอาหารเช่นนี้เหตุไรจึงมีผิวพันธ์ผ่องใสพระมหาศัตทุลว่ามหาบาพิษอาตมาภาพนอนผู้เดียวบนเครื่องลาดใบไม้ที่ปูลาดไว้เพราะการนอนผู้เดียวนั้นผิวพันธ์ของอาตมาภาพจึงผ่องใสองค์รักที่ผูกเน็บดาบของอาตมาภาพไม่มีเพราะการนอนผู้เดียวนั้น ผิวพันธุ์ของอัตมภาพจึงผ่องใสขอถวายพระพรอาตมภาพไม่ตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วไม่ปรารถนาถึงอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นผิวพันธุ์จึงผ่องใสเพราะเหตุสองอย่างนั้นคือเพราะปรารถนาอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึง เพราตามเศร้าโศกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วคนผานทั้งหลายจึงเหี่ยวแห้งดุดไม้อ้อที่ยังเขียวสดถูกถอนทิ้งไว้กลางแดดฉะนั้นพระราชาตรัสว่าลูกรักพ่อขอมอบกองพลช้างกองพลรถกองพลมะ้ะกองพลราบและกองพลผูกเกาะตลอดถึงพระราชนิเวศอันเป็นที่รื่นรมแก่ลูกและขอมอบนางสนมกำนันใน ผู้ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับแก่ลูกลูกจงปฏิบัติในนางเหล่านั้นจงเป็นพระราชาของเราทั้งหลายสตรีสี่คนเป็นผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและการขับร้องศึกษามาดีแล้วจักทำให้ลูกเรื่องลมในกามลูกจักทำอะไรในป่าพ่อจักนาราชกัญญาที่ตกแต่งแล้วจากพระราชาเหล่าอื่นมาเพื่อลูก ลูกจงให้นางเหล่านั้นมีโอรสมากๆแล้วจึงผนวดต่อภายหลังลูกยังเยาวเป็นหนุ่มแน่นตั้งอยู่ในปฐมวัยมีเกษาดำสนิทจงครองราชสมบัติเถิดลูกจงเจริญเถิดจะทำอะไรในป่า